ผีเฝ้าทรัพย์สัมผัสิสยองเราคงเคยได้ยินเรื่องปู่โสมเฝ้าทรัพย์กันมาแล้วซึ่งหมายถึงผีเฝ้าสมบัติสมัยโบราณไม่มีธนาคาร สำหรับฝากเงินหรือทรัพย์สมบัติเศรษฐีบางคนก็เอาเงินใส่โอง่งหรือไหแล้วนำไปฝังดินบางคนตายไปแต่ไม่ได้นำสมบัติที่ฝังไว้มาใช้ดวงวิญญาณที่ยังคงเป็นห่วงสมบัติก็ไม่ยอมไปไหนกลายเป็นผีเฝ้าทรัพย์หยุดตรงนั้นหรือบางคนฝังสมบัติแล้วกลัวคนมาขโมยเลยฆ่า บ, บ่าไพร่ของตน ฟังรวมกับสมบัติไปด้วยเพื่อให้เป็นผีเฝ้าสมบัติจนกว่าดวงวิญญาณจะถึงเวลาไปผุดไปเกิดก็จะยกสมบัติให้คนอื่นหรือหาดวงวิญญาณอื่นมาเฝ้าแทนเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่หลวงพ่อเจ้าวาดวัดหนึ่งเล่าให้จ๋าฟังซึ่งมันเกิดขึ้นในหมู่บ้านที่ไม่ขอเปิดเผยชื่อหมู่บ้านนี้ เป็นหมู่บ้านเล็กๆในชนบทมีคนอาศัยอยู่ไม่ถึงร้อยหลังคาเรือนผู้คนอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขเพราะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเครือญาติกันรู้จักกันตั้งแต่หัวบ้านยันท้ายบ้านคนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำสวนจะมีแค่ส่วนน้อยเท่านั้นที่เป็นครูบาอาจารย์ ทหารตำรวจและอาชีพอื่นๆลุงดีแกเป็นคนดีสมชื่อแกอาศัยอยู่กับภรรยาของแกชื่อป้าสมอยู่บ้านหลังเล็กๆหลังคามุงจากยกพื้นสูงประมาณหนึ่งเมตรฝาบ้านใช้ไม้ไผ่ขัดแตะมีขั้นบันไดเป็นขั้นๆแบบโบราณบ้านของแกร่มรื่นและสะอาดน่าอยู่ ตามประษาบ้านของชาวบ้านในชนบทแกมีอาชีพทำสวนปลูกพืชผักสวนครัวมีรายได้เล็กๆน้อยๆแต่แกก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินทองเพราะแกเป็นคนมัธยัติและไม่มีลูกที่ดินทำกินของแกมีอยู่ประมาณสามไร่ถือว่ามากโข อ, อยู่และที่ท้ายสวนของแก จะปลูกต้นไผ่เป็นแนวรั้วอยู่หลายกอเรื่องคงเรื่องเกิดที่กอไผ่นี่แหละวันพระวันไหนที่ตรงกับวันพุธเวลาประมาณหนึ่งสองทุ่มชาวบ้านที่อยู่ละแวกนั้นมักจะเห็นดวงไฟหรือดวงแก้วลอยขึ้นจากท้ายสวนของลุงดีตรงบริเวณต้นไผ่จนเป็นที่ล่ำลือกันว่าที่ตรงนี้อาจเป็นวัดร้าง แล้วมีพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ลอยขึ้นมาในวันเพ็ญพุทธลุงดีบอกว่าไม่น่าจะเป็นวัดร้างวัดเก่าแก่เพราะแกไม่เคยขุดเจอก้อนอิฐหรือก้อนหินแม้สักก้อนจา๋าเองก็เคยไปยืนพิสูจน์ดูว่าเป็นอะไรเหมือนกันวันนั้นจา๋าได้เดินไปหลังบ้านซึ่งอยู่ติดกันกันกบบ้านลุงดีแล้วก็เป็นอย่างที่ร่ำลือกัน เวลาประมาณสองทุ่มวันนั้นอากาศดีมากๆลมพัดเย็นสบายพระจันทร์เริ่มโผล่ขึ้นมาทางทิศตะวันออกแสงนวลจ้าสวยงามมากเป็นช่วงจังหวัดที่มีกลุ่มก้อนเมฆลอยมาปิดบังพระจันทร์ทำให้บรรยากาศมืดครึมแต่ก็พอมองเห็นได้รางๆจา๋าเห็นแสงเหมือนดวงแก้ว ลอยขึ้นมาจากบริเวณต้นไผ่ของลุงดีเป็นเหมือนลูกไฟดวงใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณห6ถึงนิ้วแสงสว่างใสเย็นตาไม่มีรัศมีหรือเปลวไฟแต่เป็นลูกไฟกลมๆ ล, ลอยสูงจากพื้นประมาณส0บเมตรแล้วก็เลือนหายไปเจ้าวาดในหมู่บ้านเล่าให้จ่าฟังว่า ลุงดีแกขยันทรมาหากินไม่กินเหล้าเมายาไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครวันไหนวันพระแกก็จะไปช่วยงานที่วัดแกเป็นคนดีจริงๆคืนหนึ่งลุงดีฝันเห็นผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่นุ่งผ้าเตี่ยวแต่งตัวเหมือนกับพวกชาวไทยสมัยโบราณชายคนนั้นเดินขึ้นมาบนบ้าน เรียกให้แกออกมาคุยด้วยบอกว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะได้ไปปุดไปเกิดด้วยลุงดีเป็นคนดีจึงขอฝากสมบัติของเจ้านายให้ลุงดีดูแลต่อไปถ้าขัดสนเมื่อไหร่ก็นำออกมาขายได้โดยลุงดีจะต้องสัญญาว่าจะไม่บอกเรื่องนี้ให้ใครรู้เด็ดขาดและจะต้องไปขุดเอง ในเวลาพลบคำ่ำแล้วชายคนนั้นก็เดินลงบ้านหายไปในความมืดลุงดีสะดุ้งตื่นขึ้นมาคิดทบทวนว่าเป็นความฝันหรือความจริงจึงปลุกป้าสมภรยาขึ้นมาแล้วเล่าเรื่องนี้ให้ฟังประจวบกับลุงดีและป้าสมเคยได้ยินชาวบ้านล่ำเลือเรื่องดวงแก้วลอยขึ้นมาจากท้ายสวน ก็เลยคิดว่าที่กอไผ่อาจจะมีสมบัติฝังอยู่จริงๆตามที่ได้รับการบอกกล่าวในฝันลุงดีจึงไปบอกนายเดชซึ่งมีรถไถนาให้มาช่วยกันขุดต้นไผ่ท้ายสวนแต่ไม่รอให้พรบค่ำตามคำบอกเพราะเกรงว่าจะมองไม่เห็นประมาณสิบโมงเช้าลุงดีป้าสมและนายเดช พากันไปท้ายสวนแล้วเริ่มลงมือไถเกรดบริเวณต้นไผ่รื้อถอนจนราบเตียนแต่ก็ไม่พบอะไรทั้งสามคนคิดว่าคงเป็นแค่ความฝันจึงพากันกลับบ้านแต่ในขณะที่กำลังเดินกลับอยู่นั้นก็ต้องผ่านพื้นที่บริเวณที่รถไถผสมก็เห็นองค์เคลือบใบหนึ่ง โผล่พ้นดินออกมาประมาณสิบนิ้วแต่ที่น่าแปลกคือรถไถไถบริเวณนั้นไปแล้วแต่มีปากอ่งโผล่พ้นดินออกมาได้อย่างไรโดยไม่ถูกคมมีดของรถไถตัดทุกคนจึงเดินไปดูข้างในโอค์ก็ไม่พบอะไรมีแต่ความว่างเปล่าข้างในโอคงเกลี้ยงเกา่าสะอาดมาก ทุกคนมองหน้ากันด้วยความชงนแล้วก็พากันส่หน้าและแยกย้ายกันกลับบ้านกลางดึกของคืนนั้นลุงดีเข้านอนตามปกติขณะที่กำลังเคลิ้มหลับอยู่นั้นก็เห็นชายคนเดิมเดินเข้ามาหาแต่สายตาของเขาผิดจากการมาครั้งแรกที่ดูเหมือนมีเมตตามาครั้งนี้ สายตากลับดุดันเขาขบฝันแน่นจนกระดูกโปนออกมาทั้งสองข้างดวงตาจ้องเขม็งแข็งกร้าวมองมาที่แกไม่ทันที่ลุงดีจะกล่าวอะไรชายคนนั้นก็พูดแบบโกรธเกลียวว่าแกผิดคําสัญญาข้าเลยไม่ได้ไปผุดไปเกิดดังนั้นข้าเจ้าวิญ ญ, ญาณของก็แกไปเฝ้าสมบัติด้วยกัน หลังจากที่ชายคนนั้นพูดแล้วก็เดินลงจากบ้านไปพร้อมกับเสียงหมาหอนรับกันเป็นทอดทอดลุงดีตกใจสะดุ้งตื่นลุกขึ้นรีบปลุกป้าสมและเล่าเรื่องนี้ให้ฟัง ป้าสมกลัวผีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็พูดกันว่าตายแล้วพี่เราคงอยู่บ้านนี้ไม่ได้แล้ววิญญาณาคาตแค้นเรารีบหนีกันเถอะพอพูดจบป้าสมก็ฉุดมือลงดีรีบหนีลงไปจากบ้านด้วยความเร่งรีบทําให้ป้าสมเหยียบบันไดพลาดเท้าข้างหนึ่งหลุดลงไปในช่องบันไดเสียหลักหัวฟาดกับขอบบันได เลือดไหลทะลักออกมายิ่งกว่านั้นตรงบันไดมีไม้หลักสำหรับแขวนกระบวยตักน้ำล้างเทา้าตอนที่ลม้มท้องของป้าสมก็ถูกไม้เสียบไส้ไหลออกมาตายคาที่ท่าทางตอนตายของป้าสมน่าสยดสยองมากหัวฟาดพื้นท้องถูกไม้เสียบเท้าข้างหนึ่งชี้ขึ้นฟ้าอีกข้าง อยู่ตรงช่องบันไดเมื่อลุงดีเห็นภาพผสมตายต่อหน้าต่อตาก็ควบคุมสติไม่ได้เกิดสติแตกวิ่งออกจากบ้านไปพร้อมทั้งกรีดร้องดังลั่นเสียงร้องนั้นมันดังจากบ้านลุงดีไปยังท้ายสวนจนชาวบ้านแถวนั้นได้ยินกันหมดเช้า ว, วันต่อมาชาวบ้านก็เลยพากันมาดูว่า เกิดอะไรขึ้นทุกคนตามหาลุงดีแต่ตะโกนเรียกอยู่นานก็ไม่พบแม้แต่เงาชาวบ้านใช้เวลาหาอยู่พักใหญ่หากันจนทั่วในที่สุดก็เจอร่างไร้วิญญาณของลุงดีคาอยู่บนต้นไม้ห้อยหัวลงมารอบคอของลุงดีเหมือนมีคนเอามีดกรีดโดยรอบ นางศีศาสถูกถลกจนเห็นกะโหลกดวงตาหายไปทั้งสองข้างเลือดแดงฉานไหลลงมาอาบใบไม้ที่อยู่ข้างล่างมันเป็นการตายที่น่าสยดสยองเหลือเกินนายเดชที่อยู่ร่วมด้วยในเหตุการณ์วันนั้นเห็นทั้งลุงดีและป้าสมตายอย่างอเนตอนาดก็กลัวว่าจะพบจุดจบในแบบเดียวกัน เลยหนีไปบวชอยู่ในวัดที่อีกหมู่บ้านหนึ่งจึงรอดพ้นจากวิญญาณอาคาตมาได้และแกก็ได้เป็นเจ้าวาดของวัดแห่งนั้นในเวลาต่อมาซึ่งก็คือหลวงพ่อที่เล่าเรื่องนี้ให้จ่าฟังนั่นเองเรื่องที่เกิดขึ้นนี้หลวงพ่อไม่เคยเล่าให้ใครฟังเพราะวิญญาณอาคาตเคยมาเข้าฝันบอกว่า ให้อภัยเพราะผ้าเหลืองช่วยไว้และดวงวิญญาณของสองผัวเมียก็ได้มาเฝ้าทรัพย์สมบัติด้วยกันแล้ววิญญาณคุงชายคนนั้นยังกำชับอีกว่าอย่าเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเพราะถ้าคนที่ได้ฟังนั้นมีความโลภแล้วคิดจะไปกุศสมบัตินั้นก็จะพบจุดจบที่น่าสยดสยองเหมือนกับลุงดีและป้าสม มันจึงเป็นสาเหตุที่จ๋าไม่อาจเปิดเผยสถานที่จริงได้สัมผัสสยอง